นคือรายการทำและทัศนาชีวิตพรมสินอินทเสระจะได้มาพบกับท่านผู้ฟังเมื่อพระพุทิเจ้าจัดตอบตอนแรกตอบแล้วอารยยา ก, ก็ถามต่อไปว่าบุคคลข้ามอกะได้อย่างไรข้ามอันนบได้อย่างไรอย่างไรย่วงทุกข์ได้อย่างไรปิสุทธิ์ได้อย่างไร พระเจ้าตรตอบว่าบุคคลข้ามอกะได้ได้วยศรัทธาทำอนนบได้ด้วยความไม่ประมาทลวงทุก์ได้ด้วยความเพียรบริสุทธ์ได้ด้วยปัญญาอา้วะกยักษถามต่อไปว่าบุคคลทำอย่างไรจึงจะได้ปัญญาทำอย่างไรจึงจะได้ศัก ทำอย่างไรจรึงจะได้ชื่อเสียงทำอย่างไรจรึงจะผูกมิตรไปได้ทำอย่างไรละโลกนี้ไปแล้วไปสู่โลกอื่นจึงจะไม่เศร้าโศกพระพุทธเจ้าจะตอบว่าบุคคลเชื่อรำรของพระอรหันต์ฟังอยู่ด้วยดีไม่ประมาทพิจารณาธรรมอย่างทองแท้ ยอมได้ปัญญาเพื่อบรรลุนิพพานผู้ขยันไม่ทอดทุระทำการงานให้เหมาะเจาะยอมหาทรับได้บุคคลยอมได้ชื่อเสียงเพราะสัจจะบุคคลผู้ให้ยอมผูกมิตรไว้ได้ผู้ใดยอยู่คลองเรือนเป็นผู้มีศรัทธาประกอบด้วยธรรมสี่ประการ คือสัจจะธรรมะซึ่งหมายถึงธรรมะนะครับที่ติหมายถึงกันติแล้วก็จัคะผูนันละโลกนี้ไปแล้วย่อมไม่เศร้าโศกเช่นท่านถามสมณพราหม์เราอึดเป็นอันมากบางเถิดว่าจะมีทรรมใดในโลกนี้สำหรับข่าวว่าที่จะมีคุณค่ายิ่งกว่าสัจจะธรรมะ ขันติได้จากค่อะอาลวกยักกราบทูลว่าทำไมเล่าข้าพเจ้าจะต้องเที่ยวไปตามสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเป็นนั้นมากในเมื่อบัดนี้วันนี้ข้าพเจ้าได้รู้ชัดถึงประโยชน์ในภายหน้าดีแล้วพระพุทธเจ้าเสด็จมาเมืองอาลาวีเพื่อประโยชน์แก่ข้าพเจ้าโดยแท้วันนี้ ข้าพเจ้าได้รู้ชัดถึงการให้ในที่ที่จะมีผลมากข้าพเจ้าจาับเที่ยวไปจากบ้านสุปานจากปุรีสุบุรีนมัสการพระพุทธเจ้าและฟังธรรมซึ่งเป็นธรรมที่งามพรอ้อมทีนี้กเ็เรื่องในระหว่างนี้ก็มีอีกมากมายนะครับผมจะ ผมจะผ่านไปก่อนจะขออธิบายอธิบายข้อความที่พระพุทธเจ้าตรัสต่ออาลวะกะยักซึ่งเป็นหลักธรรมสาหรับตามมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ประการที่หนึ่งที่ว่าบุคคลข้ามโอคะได้ด้วยศรัทธาโอคะนี่หมายถึงวงน้ำนะครับ ห่วงน้ําในที่นี้ไม่ได้หมายถึงห่วงน้ําธรรมดาแต่หมายถึงห่วงน้ําคือกิเลสผู้มีศรัทธาพร้อมจะเชื่อกรรมและผลของกรรมประมั่นคงที่จะทําความดีเว้นความชั่วเชื่อในพระปัญญาเฉลิมของพระพุทธเจ้าและพร้อมที่จะทําตามคำแนะนําสั่งสอนของพระองค์ แม่ยากแสนแยากฝืนแสนฝืนต่อความโน้มเอียงของตนแม่ได้รับทุกขเวทนามีน้ำตาหนองหน้าจุกอดทนสู้ประพฤติคุณงามความดีหรือว่าประพฤติพรมจันย์ด้วยศรัทธามเมื่อเป็นเช่นนี้ย่อมจะข้ามโอคะคือกิเลสอันเป็นดุดค่วงน้ำได้ กิเลสที่เป็นดุดวงน้ำซึ่งท่านเรียกว่าโอคะนี่ท่านกล่าวไว้สี่อย่างคือการาสิ่งที่น่าใครหรือความคลายทิฏฐิพบและอวิชชาพัดนาจัดผู้จมตกลงไปและจมอยู่ในวงกิเลสนี้ไปสู่ทะเลลึกทะเลลึกก็คืออันนบหรือมาอันนบ คือสังสารวัตเแล่นไปท่องเที่ยวไปจมลงบ้างโผล่ขึ้นมาบ้างบางคนก็จมอยู่อย่างเดียวบางคนก็โผล่ขึ้นมาแล้วจมลงไปอีกบางคนก็ล อ, อยคออยู่บางคนก็ยืนอยู่บนบกหรือว่าว่ายข้ามพ้นแล้วข้อที่สองบุคคลข้ามอันนตใต้ด้วยความไม่ประมาท อนนบที่หมายถึงห้งน้ำใหญ่นะครับผู้ประมาทปล่อยใจไปในอกุศลบา ป, ปธรรมต่างๆาก็คลุกคลีอยู่กับบาปจะไม่อาจที่จะท้าสังสารวัฏได้แต่ว่าคนที่ไม่ประมาทโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือไม่ประมาทในกุศ ล, ลธรรมทั้งหลายามันบำเพ็ญคุณงามความดี มันทำความเพียนมันบำเพ็ญธรรมสังตาคืจะสามารถท่ามงานนบได้คือห่วงน้ำคือสังสาราวัฏได้ไปให้ถึงที่สุดของสังสาราวัฏประการที่สามว่าบุคคลร่วงทุก์ได้ด้วยความเพียนผู้ที่เกตการทุกขีอยู่ด้วยอกุศลธรรมย่อมจะอยู่เป็นทุกข์เพราะอกุศลธรรม อำหนวยผลเป็นความถูกเมื่อละความเกียรติกรันได้แล้วประกอบด้วยความเพียรสีประการคือเพียรระวังเพียรระวังบาปอากุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นเพียรละบาปอากุศลที่เกิดขึ้นแล้วเพียรให้บุญกุศลที่ยังไม่เกิดได้เกิดขึ้นแล้วก็เพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมไป และก่อให้เจริญจริงๆขึ้นไปในการศึกษาเราเรียนในการทํางานก็เหมือนกันก็ต้องใช้ความเพียรสอย่างนี้สีลักษณะ น, นี้ในการปฏิบัติธรรมเพื่อลักิเลสเพื่อพ้นทุกข์ก็เช่นเดียวกันคนที่มีความเพียรเช่นนี้ก็ร่วงความทุกข์ได้สามารถจะร่วงความทุกข์เสียได้ ข้อต่อไปเป็นข้อที่สี่นะครับบุคคลจะบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาบุคคลที่จะบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาผู้ที่ไม่มีปัญญาไม่รู้ทางแห่งความบริสุทธิ์เมื่อไม่รู้ทางแห่งความบริสุทธิ์ก็ย่อมจะไม่บริสุทธิ์แม้ต้องการความบริสุทธิ์อยู่แต่ไม่รู้ทางของความบริสุทธิ์ ก็ไม่สามารถจะไปให้ถึงทางแห่งความบริสุทธิ์ได้พอเมื่อรู้ทางและใช้ความเพียรโดยชอบอยู่ถึงบริสุทธิ์ได้ขอนํเอาข้ อ, อ ค, ความในเอกสาของอาระวาสกสูตรมากล่าวนิดหนึน่งมาจ่อเอาไว้ให้ท่านผู้ฟังได้พิจารณาว่าอติขถาแห่งอาลวาะสกสูตรท่านอธิบายไว้ว่า กาถาแรกคือสัท ธ, ธายตระติโอคังบุคคลย่อมข้ามโอคะได้ด้วยศรัท ธ, ธาท่านหมายเอาโซดาปฏิมักคกถาที่สองที่ว่าอัปปมาดเดนะอันนาวังบุคคลย่อมข้ามอันนบได้ด้วยความไม่ประมาทท่านหมายเอาสัทตาคามิมักคาถาที่สามที่ว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติ บุคคลย่อมร่วงความทุกข์ได้ด้วยความเพียรท่านหมายเอาอาณาคามิมักขัตตาที่สี่ปัญญายะบริสุทธิ์ติบุคคลย่อมบริสุทธิ์แต่ด้วยปัญญาท่านหมายเอาอรหัตธรรมะที่นี้เราอธิบายตามแนวของท่านดูว่ารัตถินทรีอินทรีย์คือสัตตาเป็นประทัดฐานแห่งโซดาปฏิยังคะโสตาปติยังคะ คกงแห่งความเป็นโสดาบันถ้ามีศรัทธาไม่หวั่นไหวในพระธรรมไตรมีศีลบริสุทธิ์ตามภูมิชั้นของตนปาติโมกขสังวรคือความสำรวมในปาติโมก ค, คือศีลตามฐานะของตนบริสุทธิ์แต้ด้วยศรัทธาพระโสดาบันนั้นประกอบด้วยความไม่ประมาททำกุศลธรรมติดต่อ บำเพ็ญสกทาคามิมักให้เกิดขึ้นด้วยความไม่ประมาทนั้นเพระสกทาคามีนั่นบำเพ็ญมักที่สามคืออนาคามิมักโดยความเพียรละโอกะคือกามเสียได้ละกามราคะได้เพราะอนาคามีนั่นอาศัยความเพียร น, นั้นทำปัญญาในมักที่สี่คืออนาตามักให้เกิดขึ้น จนสามารถจะละอวิชชาได้ด้วยปัญญาเป็นพระอาราหารันต์ขีณาศพบริสุทธิ์สิ้นเชิงด้วยปัญญาอนนี่คืออธิบายตามแนวของพระเถรตาจารย์นะครับทีนี้ก็ตอนตอบไปตอนตอบไปที่พระพุทธเจ้าตรัสตอบอาแล่าว่าไกล้จะแบ่งไปหน้าหัวข้อด้วยกันคือข้อที่หนึ่งเอตให้ได้ปัญญา เขาถามว่าทำอย่างไรจรึงจะได้ปัญญาทำอย่างไรให้ได้ปัญญาก็าถามถึงเหตุของการได้ปัญญาก็าตรัสตอบว่าผู้เชื่อธรรมของพระอรหัน์ไม่ประมาทพิจารณาธรรมอย่างทองแท้ยอมได้ปัญญาเพื่อบรรลุนิพพานโดยทั่วไปท่านจะแสดงเหตุของปัญญาไว้สามอย่าง สุตตมยปัญญาปัญญาที่ได้จากการศึกษาสดับรับฟังกินตามมยปัญญาปัญญาที่ได้จากการศึกจองขอบคิดภาวนามยปัญญาปัญญาที่ได้จากการอบรมฝึกฝนรือลงมือปฏิบัติให้เห็นจริงด้วยตนเองอย่างที่สามนี่เป็นปัญญาจากประสบการณ์เป็นปัญญาจากประสบการณ์ตรง สองอย่างข้างต้นนั้นเป็นปัญญาหรือความรู้โดยอ้อมเกอสุตตมยปัญญาจินตามยปัญญานั้นเป็นปัญญาที่ได้มาโดยอ้อมแต่ว่าภาวนามยปัญญานั้นเป็นปัญญาที่ได้จากประสบการณ์จบบางแห่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงปัญญาพุทธิธรรม คือทำอันเป็นไปเพื่อความเจริญแห่งปัญญาไว้สี่อย่างคือหนึ่งการครบคนดีสองการฟังคําสั่งสอนของตนดีสามการรู้จักคิดโดยแยกข่ายสี่การปฏิบัติตามสิ่งที่จ้องเห็นโดยแยกข่ายแล้วนั้นทีนี้ลองมาเทียบกันดูสี่อย่างนี้กับเหตเกิดของปัญญาสามอย่างข้อสอง คือการฟังคำสั่งสอนของคนดีนั่นเข้าจัดเข้าได้ในสุตตมยปัญญาข้อสามคือการรู้จักคิดโดยแยกกายนั่นจัดเข้าได้ในจินตามายปัญญาแล้วข้อสี่การปฏิบัติตามสิ่งที่ตรองเห็นโดยแยกกายแล้วนั่นจัดเข้าในภาวนามยปัญญาส่วนข้อหนึ่งคือการครบคนดีนั่นเป็นการนำเข้าสู่ทางเพื่อให้ปัญญาเจริญ เพราะว่าเพราะว่าถ้าครอบคนผิดครอบคนุานเสียแล้วปัญญาไม่เจริญแน่นอนมีแต่ปัญญาในทางชั่วคืออกุศลธรรมจะเจริญขึ้นตามที่กล่าวมาโดยย่อนี้นะครับจะเห็นว่ า, าแม้ท่านจะแสดงเหตุแห่งปัญญาไว้ต่างกันแต่เมื่อพิจรารณาด้วยดีแล้วนะครับก็จัดลงกันได้ไม่ผัดแย้งกัน เพราะฉะนั้นผู้ต้องการปัญญาก็ควรจะตั้งใจสดับรับฟังศึกษาตั้งใจทดลองปฏิบัติให้ได้ผลข้อที่สองนะครับ เ, เขาถามว่าจะได้ทรัพย์มาอย่างไรพรอเจ้าก็จัดเจาะเหตุให้ได้ทรัพย์ทรงแสดงว่าผู้หมั่นขยันไม่ทอดทุระทำการงานให้เหมาะเจาะจะมาทรัพย์ได้ทําการงานให้เหมาะเจาะนะครับ แล้วก็มีคุณสมบัติคือขยันไม่ทอดทุระเป็นคนมีทุระอยู่เสมอไม่อยู่ว่างไม่ว่าในสมัยนี้หรือสมัยโบราณหรือสมัยไหนนะครับการหาสรัพย์เพื่อเลี้ยงตนบุตรอันจาสามีและอนุชีวีชนหรือบริวารเป็นต้นเนี่ยครับเป็นภาระอห น, นักของผู้ก่องเรือนทั่วไปส่วนมากหาได้ไม่พอใช้ส่วนน้อยที่พอใช้ ส่วนน้อยนิดเดียวที่หาเหลือใช้ใครที่เหลือใช้ก็ต้องพะโชคดีมาถึงสมัยนี้สมัยที่เศรษฐกิจกำลังตกต่าในอย่างในเวลานี้คนว่างงานก็มาก ถ, าถูกให้ออกจากงานก็มากว่าคนที่มีรายได้เหลือใช้ก็ต้องว่าโชคดีที่โชคดีไม่ใช่ว่าโชคดีลอยๆคือเขาต้องทำเหตุมาเขาต้องทำเหตุมามาก สมควรแก่ผลที่เขาจะได้รับและในสมัยนี้ในเมืองใหญ่ใจเรื่องที่อยู่อาศัยและการเดินทางไปทํางานเป็นปัญหาหนักใจของคนส่วนมากาต้องผ่อนที่ผ่อนปานผ่อนรถยนต์กันรายได้ที่หามาเพื่อเลี้ยงชีพหมดไปกับสองสามเรื่องนี้ไม่ใช่น้อยเลยนะครับต้องเม็ดก็แม่เรื่องรายจ่ายประจำวัน บางเดือนพอบางเดือนมีรายได้พิเศษบางก็เพียงพอบางเดือนก็ไม่พออันนี้สินก็อพอกพูนเครียดค่าตัวตายหรือเป็นโรคต่างๆมันสืบเนื่องมาจากความเครียดแต่อย่างไรก็ตามนะครับชาวพุทธก็ควรจะยึดหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องความขยันหมั่นเพียรในทางสุจริตรู้จักรักษาทรัพย์รู้จักครอบคนดี รู้จักเลี้ยงชีวิตตามสมควรแก่กําลังทรัพย์ที่หะได้ที่เรียกว่าสมชีพิตาไม่ทําอะไรเกินตัวที่เป็นเหตุให้เครียดจนมีชีวิตอยู่อย่างกังวลไร้สุขบางคนนะครับอยู่บ้านใหญ่โตทันสมัยรู้ราแต่นอนไม่หลับเพราะว่าคิดแต่เรื่องนี่สินค่อยทําค่อยไปจะขับค่อยทําค่อยไปค่อยสร้างดีกว่า คอยทำคอยไปคอยสร้างคอยไปมีบางคนที่คนกายคิดก็พูดถึงว่าแม้จะอะไรจะเกิดขึ้นเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรเขาก็คงอยู่ได้โดยไม่เดือดร้อนถึงกับว่าเศรษฐกิจของโลกจะเป็นอย่างไรแต่คนเช่นนั้นก็ไม่เป็นไรก็อยู่ได้เพราะความที่เขาได้เตรียมตัวมาจนเป็นนิสัย คือว่ามีความประหยัดอดอมเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายอแล้วก็เป็นอยู่อย่างชาวพุทธอยู่อย่างชาวพุทธที่พระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างไรก็อยู่อย่างนาั้นพอข้อที่สามนะครับเ อ, อเขาถามว่าบุคคลได้ชื่อเสียงเพราะอะไรพระจัดตอบว่าได้ชื่อเสียงเพราะสัจจะมนุษย์เราไม่มีอะไรสูญเสียยิ่งใหญ่เท่ากับการสูญเสียความไว้วังใจนะครับ คนร้ายสัจจะทำให้คนอื่นไม่ไว้วางใจไม่ให้เกียรติทำให้อยู่อย่างไร้เกียรติไม่มีคนนิยมนับถือทำอะไรไม่ขึ้นนอกจากความชั่วจะทำความชั่วขึ้นทำอย่างอื่นไม่ขึ้นในหนังสือเรื่องท่านมาธรรมครันทีเขียนโดยท่านสวามีสัตยานันทบุรีพิมพ์เมื่อพศ2513แพรพิทยาได้เขียนถึงประวัติของท่านคาันธีไว้นิดหนึ่ง เอามานิดหนึ่งไม่อยาเขียนมานิดหนึ่งคือผมเอามานิดหนึ่งท่านมหาธรรมคันธีได้เล่าเองในสมัยเยาว์วัยท่านเล่าไว้อย่างนี้นะครับในสมัยเยาว์วัยเคยมีเรื่องบางเกิดขึ้นเรื่องหนึ่งและได้เป็นเรื่องที่มีที่พลครอบครองเหนือชีวิตจิตใจของท่านมหาธมะมคันธีต ล, ลอดมาท่านสวามีศัตยานันทบุรีเป็นคนเล่านะครับไม่ใช่ท่านมหาธรรคันธี เรคือเมื่อท่านมีอายุได้สิบสองปีมีคณะละครคณะหนึ่งเดินทางเข้ามาแสดงละครในนครราชโกดเรื่องแรกที่ละครได้แสดงคือเรื่องเท้าพริฤทธจันทร์เท้าพริฤทธจันท์นี้คือท่านผู้ที่เป็นกษัตริย์ผู้เป็นกษัตริย์ที่ทรงเกียรติปรากฏอยู่ในคำภี์โพราณพระองค์หนึ่งทรงเสียสละราชสมบัติพระมเอสีและระราชโอรส และทรงขายพระองค์ลงเป็นทาสเพื่อรักษาพระวาจาเมื่อท่านดูละครเรื่องนี้แล้วมองเห็นการเสียสละของท้าวฮาริ จ, จันเพื่อทรงสงวนความศักด์เอาไว้จึงทรงเสียสละราชสมบัติและพระมเหสีและราชโสทั้งสิน้นเด็กการที่ได้เกิดความรำพึงรำพันขึ้นว่าเหตุชะไหนหนอสัพพมนุสเสยชาติจึงไม่ดำรงมั่นอยู่ในกุณธรรมคือความศักด์จริง ดังเ้าอาริจันพระองค์นั้นเล่าดังไรก็ดีในคืนวันนั้นเองเด็กกันทีได้เกิดความเรื่มใสยอย่างสูงสุดจนเกิดปฏิญาณขึ้นในใจของตนว่าตรับใจที่ฉันดํารงชีวิตอยู่บนพื้นปิพภณีฉันจะดํารงมั่นอยู่ในสัจธรรมดังเ้าอาริจันพระองค์นั้นได้เคยดํารงมาแล้วแล้วก็ในสมัยต่อมาเมื่อ ยามที่ท่านจำเป็นต้องเผชิญหน้ากับความโหดร้ายแห่งอาชัดจะทำท่านก็ไม่ได้ยอมที่จะถอยถอยหลังเลยแม้แต่ก้าวเดียวก็เป็นความจริงทีเดียวที่ท่านมหาจะมากันธีได้เคยกล่าวไว้ว่าตามแงแห่งประวัติศาสตร์ถ้าวารธิ์จันท์คงไม่มีตัวจริงแต่ ในดวงใจของฉันคือหมายถึงในดวงใจของท่านมหาตรมะคันธทีนะครับพระองค์ท่านทรงดำรงพระชนชีพอยู่เสมอโดยไม่รู้จักอวสานและไม่รู้จักสิ้นสุดความสัตด์ได้สร้างชื่อเสียงเกียรติคุณให้ท่านมหาตรมะคันธทีเป็นอย่างมากท่านเป็นบุรษุษศรัทธะ ที่ไม่ยอบพูดเท็จเลยซึ่งข้อหาได้ยากกันนะครับคนที่ไม่ยอบพูดเท็จเลยจำสุภาษิต ท, ที่ว่ า, าคนที่พูดจริงทุกอย่างเนี่ย เ, เป็นจำนวนมากเป็นจำนวนแสนนันะครับว่าจะได้หนึ่งคนหาได้หนึ่งคนแสนคนหาได้หนึ่งคนคนที่ดำรงอยู่ในสัจจะ